ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะเรานําเอาพุทัวเจ น, นะมาพบกับท่านในรายการสัมนสนีสนทนาที่ท่านกำลังได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ก็จะแตกต่างปไปยักสัปดาห์อื่นๆที่ผ่านมาก็คือว่าพระพิบูลอภิปุโนจาวัตปารณหายโศก น, นะคะท่านจะมาพบ ก, กับเราทั้งสองช่วงส่วนพระมากชาควโรสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะให้ท่านพักผ่อนนะครับเพราะว่ า, าทราบว่าท่านก็ มีอาการหวัดถ้า ไ, ได้พักติดต่อกันน่าจะดีนะคะเราก็นำท่านเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมจากพระสูตรต่างๆซึ่งท่านไทบูนก็เป็นผู้ที่ศึกษาผู้ทศชนะเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะจะนำเอาม า, อาฝากพวกเราพร้อมทั้งนำพวกเราปฏิบัติธรรมด้วยกราบารัศจรรย์ครับทั้งคะทุยานในการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็พูดถึงอนาบารสติใช่ไหม ทีนี้อนาปัญสติที่เราฟังกันอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็พอจะรู้ว่าแค่เรามามีาสติอยู่ในลมหายใจของเราค่ะทีนี้พอเรามีสติลมหายใจของเราแล้วอาจะฟังทําไปด้วยการใกล้ครวนนั้นก็จะทําให้เกิดประโยชน์ได้วันนี้ก็เราจะไม่ได้เอาเรื่องลมหายใจมาพูดให้ฟังหรอกจะเอาเรื่องของการาใช้จ่ายทรัพย์ดีกว่าเพราะว่าเงินที่เรามีเราจะใช้จ่ายยังไงผู้เจ้าตรัสไว้ยังไงจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันต่อไปได้ ดังพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้นะบอกว่าบุคคลใดที่ได้โพคาซั์อันโอฬาแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำบุตรปริยาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำธาตกรรมกรให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมิตรอมตให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ ย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทานอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายให้เป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นปักฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นด้วยฐานะอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบทรัพย์เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ ไฟก็ไม่สามารถไหม้ได้น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยืแย่งไปได้โภคทรัพย์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการบริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่าเปรียบเหมือนในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีสระบุคณีที่มีน้ำใสเย็นน่าดื่มสะอาด มีท่าขึ้นลงดีหน้ารื่นรมคนเขาขนน้ำนั้นไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทำตามต้องการบ้างน้ำนั้นอันเขาบริโภคใช้สอยอยู่ด้วยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่านี้ฉันใดสัตว์บรุษคือคนดีที่ได้โภคทรัพย์ อันโอราแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนาทำมารดาบิดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนาทำบุตรภรยาให้เป็นสุขให้อิ่มหนาทำทาตกรรมกรให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมิตรอมารถให้เป็นสุขให้อิ่มหนาย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทานอันอุทิศแก่สมร่ามทั้งหลาย เป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝกักฝายดีโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบเอาทรัพย์เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ไม่ทำลายได้น้ำก็ไม่พัดพาไปได้ญายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้โภกทรัพย์เหล่านั้นอันคนบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ ย่อมถึงซึ่งการบริโภคใช้สอยไม่ศูนย์เปล่าเช่นนั้นเหมือนกันนี่คือการบริโภคใช้สอยรั์ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ค่ะแลวก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถจะนาไปใช้กันได้เลยด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะต้องจับใจ่ายใช้สอยซัพ์เพื่ อ, อแลกเปลี่ยนกับอะไรตัวนี้อะไร แล้วก็ต้องขวนขวายในการที่จะได้มาเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้บนโลกแห่งทุนนิยมนี้เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงขยายความช่วงต่อไปจากพระบบูบณ์ก็แล้วกันนะคะ